ท่านฟั่งที่ทคทเครสส huh. าครพค่ะเรากลับมาสู่ช่วงเวลาอีกช่วงแล้วนะคะที่กําลังจะได้พบกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนะคะนมัสการกันทั้งคะเรียนพานค่ะวันนี้ก็ล่วงเข้ามาวันพฤหัสบดีอืมแล้วแหมมันเข้าใกล้ลรามาทุกทีแล้วนะคะการสิ้นสุดของปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะคือวันคืนล่วงไปล่วงไปวันคืนล่วงไปล่วงไป เราทําอะไรอยู่เราได้ย<า>ิน<ำ>มีความรู้สึกอย่างนี้กับท่าเข า, ว, าว่าเวลาเนี่ยมันล่วงไปเร็วจริงๆใช่เหมือนคนก็บอกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่คนที่มีความทุกข์จะมีความรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าอืมส่วนที่ท่นนี้ท่านก็ว่ากลางๆนะคะทําไมรู้สึกมันผ่านไปเร็วจังอืมก็ก็คงเพราะคุณยมติมีความสุขค่ะถ้านทุกขค่ะท <c oughs> ่านพิบูลค่ะ ก็ในแวดวงของคนที่ศึกษาทางด้านพระธรรมพู้ทวจนะเนี่ยนะคะเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันอยู่เสมอเสม อ, อมดีฉันเองก็เคยมีประสบการณ์ในทำนองที่เพิ่งไปเจอเพื่อนเขาปลารบให้ฟังแล้วก็ได้พบว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะบางคนอายไม่กล้าพูดแต่บางค น, นยอมรับเพราะว่ามาเจอเราที่พูดจริงๆก็คือว่ารู้ทำแต่ทำไมเวลาเจอเหตุการณ์บางอย่างมันเหมือนกับว่า ธรรมะมาช่วยไม่ทันนะคะมันมีความทุกข์มากในเรื่องนี้มันก็เป็นอย่างนี้ว่าคนที่ฝึกปฏิบัติอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าคุณก็เรียกว่าไม่ประมาทในระดับหนึ่งใช่ทีนี้มันในชีวิตที่เราผ่านไปผ่านไปนะคุณโยมติวมันมีแต่จะหนักหน้าไปไปเรื่อยๆหนักหน้าไปเรื่อยๆหมายความว่ามันจะเจอกับสิ่งที่เรามันหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันเนี่ยอย่างเช่นว่าความแก่สมัยหนุ่มๆคุณยังไม่เจอแน่ อย่างที่อายุยังไม่ถึงสามสิบเนี่ยมันยังไม่เจอหรอกแต่พอขึ้นเลขห้าเลขหกไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มละตรงนี้ <Okay. S 1> ก็เหงาตรงนี้ก็เหี่ยวตรงนี้ก็เสื่อมตรงนี้ก็พังไปแล้วก็ยังไม่รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมะเร็งขั้นสีโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคโอ้ยแต่ความดันโลหสูงมันมีทุกโรคเลยค่ <Okay. S 1> ทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่ามันจะเจอแต่เหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจมากขึ้นมากขึ้นจนสุดท้ายทนไม่ไหวมันสุดแค่ตายค่ะ okay. สุดแค่ตายเพราะฉะนั้นตอนตายเนี่ยจะเป็นจุดที่เราอาทนไม่ไหวละจะตากจนตายละกันคือบางคนเจอความทุกข์มากๆเลยแล้วก็เหมือนกับหัวใจมันจะมันจะแตกตับไปเดี๋ยวนั้นเลยคะ <c oughs> อ่าซึ่งถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมมาก่อนเนี่ยไม่ได้รู้ธรรมะไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยรักษาศีลอย่งจะทุกข์มากกว่านี้อีกอันนี้มองดูได้ประเด็นที่หนึ่งอย่างนี้นะค่ะ <c oughs> ประเด็นที่สองก็คือว่าแสดงว่าเรายังฝึกไม่พอ <c oughs> อม่ามันจะมีจุดที่เรายังไม่ได้ เช็ดไม่ได้ขัดไม่ได้ล้างไม่ได้ถูยังไม่สะอาดอยู่ค่ ะ, อ, ะอย่างเช่นว่าบางเรื่องนี้เราเราเราปล่อยวางได้อย่างคนมาด่าเราเมื่อก่อนมันจะจีดมากเลยเดี๋ยวนี้มาด่าด้วยคำเดิมๆฉันไม่จีดแล้วสบายแล้วเครื่องบุญค่ะทีฉันถามอย่างนี้ได้ไหมคะคือเหมือนกับว่าถ้าจะมีการเหมืนกับนะตัดสินพิจารณาว่าก้าวหน้ากันอย่างไร ถ้าเป็นเรื่องเป็นราวก็จะบอกกันเป็นลำดับของการเป็นอรหันตบุคคลใช่อริขเรียกอะไรคะอริยบุคคลลำดับต่างๆเริ่มต้นที่โสดาบันสุนดาสกิทักฆะนะคามีนะคะเรื่อยไปจนถึงพระอรหันต์เนี่ยทีนี้ถ้าในลำดับสมมุตินะคะเป็นผู้ที่แน่วแน่ในพระรัตะนะตรัยรักษาศีล์ห้าเลยได้เนี่ยนะคะที่ว่าเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ย ปฏิกิริยากับความทุกข์เนี่ยมีอาการได้ไหมคะอ๋อได้คือจะเป็นอย่างนี้จะสุดโต่งสองข้างนะสุดโต่งสองข้างคือเอ่อจะกระฟัดกระฟียดกระด้างกระเดื่องแสดงความโกรธความไม่พอใจความขับแค้นใจให้ปรากฏ <c oughs> ให้ปรากฏนะ <c oughs> หรืออันที่สองจะร้องไห้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้เงินของคลั่งเพอ ตีตัวเองร้องไห้ฟูลไฟลด่าคนอื่นด่าทั่วไปหมดครั้งเพอ้อบ้าไปแล้วถอดเสื้อผ้าพวกนี้นี่คือสุดตงรงสองข้างด่ากราดนะแสดงความโกรธความกระฟัดกระฟิดออกม า, าสุดตรงสองข้างนี้ถ้าคุณเป็นโสดาบันคุณจะเป็นยงไงหรือว่าเป็นอเรียบบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปคุณจะปวดใจไหมมีอยู่นะแต่มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้นไวได้ ฟังให้ดีมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นเวทนานั้นไม่ได้แสดงว่าเวทนาไม่ใช่ไม่เกิดนะเกิดนะเกิดเวทนาแต่ก็อาจจะยีดขึ้นมานิดนิหน่อยๆแล้วก็ปล่อยวางได้นนไม่ถึงกับโสดาบันอ่าไม่ถึงกับสติฟันฟ่นเฟือนคือ ค, คนที่ฝึกปฏิบัติทั่วๆไปก็ควรจะต้องทําได้อย่างนี้บางคนอาจจะร้องไห้ฟูมไฟสักสินาทีแรกแล้วก็โอเคผ่อนผ่อนผ่อนผ่อนได้แล้วบางคนอาจจะโกรธมากเลยสินาทีแรกแล้วก็ผ่อนได้อย่างนี้นะ สำหรับคำนิยามของการสุดตรงสองข้างที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี่ยเป็นผู้ทวัจนะด้วยหรือเปล่าใช่เป็นพูทวัจนะขอ อ, ะอีกครั้งได้ไหมคะบุตุชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยเมื่อถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วใช่ไหมจะมีอาการ<ช>สองอย่างอย่างนี้คือกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่องสแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอนะหรือว่าสองจะร่ําให้คร่ําครวญทุบ อ, อกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนง ง, ง, งหลงไหลค่ะ อ๋ออันนี้เป็นพุทธวจรนะเลยอธิบายถึงคนที่ไม่ได้สดับธรรมไม่รู้ธรรมก็จะมีกไม่รู้ว่าเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนี้จึงมีความทุกข์แล้วมีปฏิกิริยรกากับความทุกข์อย่างรุนแรงแล้วคนที่ปฏิบัติธรรมทำยังไงคนที่เคยฟังธรรมะเคยปฏิบัติธรรมะเคยเป็นได้สดับฟังธรรมะมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้อุบายในการออกจากความทุกขนี้อย่างอื่นนอกจากกรรมสุข บอกว่าเออฉันมีความทุงข์นี้ฉันไปกินเบียร์กินเหล้านะเที่ยวคอ่าก็คุณจะต้องมีรู้อุบายอื่นที่ออกจากความทุกข์นี้เพราะฉะนั้นคนที่พอถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยเขาจะมีอุบายปุ๊บเขาคืจะรีบสละให้ได้เร็วขึ้นหรือช้า ก, ก็อยู่ที่ความสามารถของบุคคลนั้นค่ะทีนี้เมื่อท่านได้อธิบายว่าในระดับโสดาบันเนี่ยจะมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะ แล้วก็อดกลั้นเวทนานั้นไม่ได้คือความพอใจไม่พอใจใสามารถอดกลั้นได้ดิฉันก็คิดว่าท่านหลายคนก็คงจะบอกว่า เ, เราก็ทำได้งี้เราก็เป็นโสดาบันแล้วสิก็เดินอยู่ในโสดาปฏิมรักนะแล้วถ้าคุณทำได้ในเรื่องของโสดาปฏิยังคัสี่คุณก็สามารถพยากรตัวเองได้แล้ว่าคุณเป็นโสดาปฏิผล ค่ะคอยครั้งได้ไม่แค่โสดาปฏิยานคะศรีของท่านนั้นเป็นอย่างไรคะคือองค์แห่งการบรรลุโสดาสี่องค์ค่ะคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สาเนี่ยคือการมีศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งสองสามแล้วก็ข้อที่สี่เนี่ยก็คือมีศีลชนิดอันเป็นที่พอใจของเหล่าพระอริยเจ้าค่ะอ่าเป็นศีลที่ศีลห้าถูกต้องถูกต้องศีลห้าก็ต้องเป็นศีลที่อ่าเป็นไปเพื่อสมาธินะ มมมหมายความว่ายังไงคะแตกต่างจากเวลาเราจะรักษาศีลบางคนอยากไดมีศีลนะแล้วก็ยกตัวเองข่มคนอื่นไงว่าฉันมีศีนลนะเธอไม่มีศีลเธอเป็นคนชั่วฉันเป็นคนดีดูสิฉันดีอย่างนั้นฉันดีอย่างนี้เธอนี่ยไม่มีอะไรดีเลยแสดงว่านี้ยังถูกตันหาและทิฐิรูปคลําศีลของตัวเองอยู่ค่ะท่านคะทีนี้แบบบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ศึกษาอพ้ทวจนะนะคะแต่ว่า มีความรู้ตั้งแต่ในยามเด็กๆซึ่งเขาสอนในวิชาศิลธรรมส ม, สมัยก่อนนู้นต้องอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉันนะคะจะได้เวิชานี้ก็ได้พบเจอกันเขาบอกเออเขาก็ไม่ได้ไปวัดไปวาหรอกนะแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยพยายามรักษาศีลห้าอันนี้จะต่างกันกับที่ท่านพูดไหมคะว่าเขารักษาศีลห้าแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องสมาธิเลยค่ะ สมาธินี่ก็คือความไม่ร้อนใจเท่านั้นแหละคุณมติวถ้าเขารักษาศีลแล้วจิตเขาไม่กระฟัดกระเฟียดแบบว่าวุ่นวายแสา ย, สายหาเรื่องเนี่ยก็แสดงว่าเขามีความไม่ร้อนใจแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วอ๋อนี่ก็อยู่ในกรอบสมมติเกิดเขามีศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยมารวมกับการที่รักษาศีลในลักษณะนี้ก็เท่ากับว่าเข้าไปสิงอ่าเป็นสวดบาเลยโอม อย่างน้อยตอนนี้นะตอนนี้ถ้าเขายังไม่มั่นใจเท่าไหร่อย่างน้อยตอนนี้เขาอยู่โดนเดินอยู่บนโซดาปฏิมักโสดาปฏิมักแปลว่าอยู่บนหนทางแห่งการจะเป็นโสดาบันถูกต้องอย่าเพิ่งตายนะอย่าพึ่งตายนะครับเพราะผลของมันคืออะไรคะก็จะทําให้มีความทุกข์น้อยลงไปมากคุณยมติวเห็นพื้นปัตตพีที่มันถูกน้ําท่วมอยู่เนี่ยนะกับขี่้ดินที่ติดเล็บเรามาหน่อยหนึ่งเนี่ยความทุกข์ของโซดาบันเนี่ยเท่ากับเศษดินที่ติดเล็บ ที่ยังเหลืออยู่นะแต่ควา ม, มทุกข์ของส่วนที่สิ่งไปแล้วเนี่ยเท่ากับพื้นแผ่นดินทั้งหมดเลยค่ะอืมนะคะเรีกันไม่ติดค่ะดัง น, นั้นอันเนี้ยก็จะเป็นเครื่องที่จะเครื่องมือที่จะทําให้ท่านสบายใจว่าท่านก็ปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆมากขึ้นว่า ง, งั้นเถอะใช่แล้วก็ยังจะเป็นเครื่องคือจริงๆประเด็นอยู่ที่ถามว่าไอ้ทาไมมีความรู้เรื่องธรรมศึกษา ม, มากมแล้วก็ยังทุกได้ ทานก็บอกขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ความมากของการที่ปฏิบัติธรรมสองประเด็นคืออันแรกก็คือว่าเราอาจจะทุกไปกว่านี้ก็ได้อันนี้คืออันที่หนึ่งคือเราที่วัดคุณยังทุกอยู่นี่คือชื่อว่าอาจจะน้อยแล้วหรืออันที่สองก็คือว่าเราอาจจะไปเจอจุดที่เรายังยังทดสอบไม่หมดยังไม่ผ่านการสอบอย่างไรก็ตามมันจะมีประเด็นที่3ามอีกนิดนึงตรงนี้คุณโยมติว่าอาจจะคุณอาจจะแค่จําได้เฉยๆจาธรรมะได้เฉยๆแต่ไม่รู้เข้าไปถึงใจ การนนปฏิบัติมัน่า ก, การปฏิบัติมันจะเป็นการปฏิบัติในจิตเพราะฉะั้นคุณจะแยกยังไงล่ะว่าความจำจเฉยๆกับว่าธรรมะมันเข้าไปในจิต ม, มันก็แยกได้ตรงที่ผัสสะเท่านั้นเองถ้าถูกต้องผัสสะแล้วคุณยังปล่อยวางได้ชื่อว่าเข้าไปในจิตแล้วอ๋อนะคะก็เป็นเรื่องที่นี่แหละต้องฝึกต่อไปแต่รู้ดีกว่าไม่รู้ ถูกต้อย่างนั้นไหมคะใช่รู้ไว้ดีกว่าไม่รู้ท่านคะอยากจะขอให้ท่านช่วยทิ้งท้ายเลยได้ไหมคะว่าท่านจะมอบอะไรสําหรับเอาไปใช้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านอื่นที่เป็นพุทธวจนะค่ะอ่าวันนี้เราเอาเป็นภาษาอังกฤษกันบ้างดีไหมได้อ่าก็พูดภาษาไทยก่อนเนาะบุรีชาพูดถึงอย่างในกรณีของคุณยมติวพูดถึงคนที่ปฏิบัติธรรมนี่ใช่ไหมค่ะบุรีชาก็พูดว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทําอันเลวนั้นยิ่มีไม่ได้ แต่ mm. ว่าการบรรลุทำอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศนั้นย่อมมีได้แล้วจะสอดคล้องเรื่องนี้พอดีไม่รู้คุ ณ, <Okay. S 1> คณทําเลวหรือคุณทาเลิศนะแต่การ <Okay. S 1> บรรลุทำอันเลิศด้วยการกระทําอันเลิศนั้นย่อมมีได้แ ล, <Okay. S 1> ล้วภาษาอังกฤษก็บอกว่า <Okay. S 1> it is not by the inferior that the supreme is attained it is by the supreme that the supreme is attained นะคะอันนี้ดิฉันขอไม่อ่านซ้าแล้วกันค่ะต้องให้ท่านพัยบูลพูดนั่นแหละเพื่อไม่ผิดพลาดขออีกรอบหนึ่งค่ะท่านค ะ, ะการบรรลุธรรมอันเลิศ ด, ด้วยการกระทําอันเลวนั้นย่อมมีไม่ได้แต่ว่าการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทําอันเลิศนั้นย่อมมีได้แหละค่ะสาธุค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นอันนี้สมมุติเราไปเห็นใครทําอะไรที่พิศดารแล้วก็บอกว่ากําลังเป็นไปด้วยการบรรลุธรรมอันเลิศ ก็ขอให้รู้ว่าพระพุทธอง์ตรัดไม่เลยออืหรือว่ากําลังจะบอกตัวเองว่าโอ๊ยฉันเป็นบุคคลพิเศษทําแบบนี้แต่มันบรรลุผลเลิศเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์มากที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วก็ตรัสไว้อย่างน่าฟังนะคะการบรรลุทำอันเลิศด้วยการกระทําอันเลว น, นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้อื ว, ว้าวต้องด้วยการกระทําอันเลิศเท่านั้นอะไรคือการกระทําอันเลิศกันกันก็เดินอยู่ในมรรคในปรารุความเพียร แล้วก็เป็นผู้ที่มั่นคงมีศรัทธาในรพระธรรมพระสงค์อันนี้เรียกวันเลิศละ่ะเดินอยู่ในมรักมรักหมายถึงมรักษปดใช่ทางมรักมนะีอยู่แปดอันนี้พระเจ้าก็เคยพูดอีกในยะหนึ่งพูดถึงการที่อธิษฐานจิตนะด้วยการบดอธิษฐานที่ว่านหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือการกระทําอันเลิศในใ<ช>นยะ<ช>ที่สองเหมือนกันเพราะในเรื่องนี้ก็คือเช่นว่าพระเจ้าพูดถึงการที่ นั่งสมาธิด้วยบทอธิษฐานว่าหนังเอ็นกระโดดจะเหลืออยู่อันนี้ก็อันหนึ่ง ค, คือการปรารบความเพียรว่า ง, งั้นเถอะก็คือการกระทําอันเลิศการกระทําอันเลิศในที่นี้จึงหมายความว่าการกระทําอันเลิศโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ<ร>ที่จะบรรลุธรรมค่ะการบรรลุธรรมอันเลิศก็ต้องทําด้วยสิ่งที่การกระทําอันเลิศ เหือกันอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดที่ฉันคิดว่าไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยนะคะท่านว่าเราผลเลิศเราก็ต้องทําในสิ่งที่มันมันจะส่งผลเลิศสร้างเหตุให้ถูกต้องได้ใชนะค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ถือซะว่าเป็นของขวัญจากท่านท่าจันไผ่บูแล้วก็รายการสันมนาที่มอบให้กับท่านด้วยกันละกันนะคะในช่วงปีใหม่เรียกว่าใครฟังทุกวันก็จะได้ของขวัญหลายชิ้นหน่อย เป็นองค์ขัญอันยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นคําของพระศาสดาที่เป็นพุทธวจนะอมตะอย่างไม่เสื่อมคลายเลยในปีหน้าที่กำลังจะมาถึงเป็น 2,600 ปีแห่งการปฏิรูปธรรมของพระพุทธองค์เขากําลังจะมีการเฉลิมฉลองอันใหญ่ก็ขอให้ท่านได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองด้วยการนำธรรมนี้ไปสู่การปฏิบัตินะคะนี่เรานื่มาสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบุลอภิปุโนนะคะอาจารย์เรีนพาน กัรเพท่ามนยที่ครบค่าสาหรับรายการของเราชื่อรายการสัมสีน์สนทนาดิฉันสัมสีิหนาคพงศ์เป็นผู้ดาเนินรายการแล้วก็ด้วยความเห็นคุณค่าของธรรมะของทางสถานีวิุครอบครัวข่าว fm ฟเอร้อยหนะคะซึ่งให้เวลารายการเราเดำเนินเรื่อยมาในเวลาเดิมนี้ต่อเนื่องกันเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและดิฉันก็ ขอให้ท่านทั้งหลายได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะเพื่อที่จะถามคำถามของท่านจะได้สมกับที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลไม่มีเวลาไปวัดก็หาความกระจ่างให้กับตัวเองได้ไปที่พิเอธรรมะ .com/ หนึ่งศนย์หนะคะหรือว่าที่ศูนย์สองสองหกเก้านศูนย์หกที่นี่ท่านจะให้ของขวัญตัวเองด้วยการพยายามโทรก็มาให้ทันเป็นสามคนแรกแล้วเราก็จะแจกพุทธวีนะถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ ของพระศาสดามอบให้ท่านไปศึกษาไปท่องไปปฏิบัติตามกันค่ะในวันนี้เราก็คงจะลาท่านเพื่อที่จะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้าเช่นเคยขอให้วันนี้เป็นวันที่พุทธวัตรที่ท่า น, น้อมนำเอาไปสู่การปฏิบัตินั้นได้ส่งผลให้ท่านมีชีวิตที่ทุกน้อยลงทุกวันทุกวันนะคะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ